ใครขาดสติตอนกินข้าวบ้างมายถึงไม่รู้สึกตัวเลยตลอดการกินนะมีไหมไม่มีอะไรเหรอเก <c oughs> ่งเก่งหนูพ่อไม่ถามหรอกว่าตลอดเวลาที่กินข้าวใครรู้สึกมีสติตลอดมันเป็นไปไม่ได้มีบ้างก็ยังดี ไม่ได้เรียกร้องกับพวกเราเกินกว่าความเป็นจริงครับแต่แนะนําให้พวกเราพยายามฝึกตัวเองมีสติไปเรื่อยๆต่อไปมัน ช, นชนานิชํานาญขึ้นมันจะรู้ตัวมากกว่าหลงในชีวิตเราที่ผ่านมามันหลงมากกว่ารู้บางคนไม่เคยรู้เลยหลงตลอดส่วนใหญ่คนในโลกเป็นอย่างนั้น นี่เรามีบุญเก่าบางคนรู้ตัวเป็นตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยเนี่เป็นละยังไม่ท่านจะเรียนธรรมะอะไรเนี่ยคนเรียนนิดๆหน่อยๆก็เป็นบางคนมาเรียนตอนโตเพื่อจะรู้สึกตัวเป็นพวกเราที่รู้สึกตัวเป็นมีคนไหนพอรู้สึกตัวเป็นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยเคยเห็นมาแล้ว เคยเป็นมาแล้วยกมือสิมีไหม น, นี่เคยทำมาแล้วอย่างนี้ที่ผ่านมาทำไมมันหลงมากกว่ารู้เพราะมันเคยชิ น, นเราก็มาฝึกความเคยชินไหมให้รู้มากกว่าหลงที่จริงหลงก็รู้นะจำนวนมันจะไล่เลี่ย ก, กันอย่างเรารู้ตัวอยู่แล้วก็หลงไป หรือหลงอยู่แล้วรู้ว่าหลงก็รู้ตัวจะสลับกันไปคนที่ไม่ภามมันาจะมีแต่หลงกับหลงไม่มีรู้มาแทรกของเรานานๆหัดใหม่ๆหลงยาวรู้นิดเดียวแล้วหลงยาวพอชำนาญขึ้นนะคือหลงสั้นหลงสั้นหลง รู้ได้ถี่ขึ้นเรื่อยๆรู้ไม่ยาวขึ้นนะแต่ลงสั้นลงงั้นรู้จะบ่อยขึ้นรู้ยาวยต้องเข้าฌานถ้าอยู่อย่างนี้เป็นคณิกะสมาธิได้ทีละขณะทีละขณะขแต่มันเกิดบ่อยเกิดบ่อยจะรู้สึกเหมือนรู้ตัว ต, วตลอดเวลาจริงเกิดดับเกิดดับเกิดดับ เรื่องของจิตใจสนุกนะค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนไปลูกศิษย์หลวงพ่อที่ชํานาญเรื่องจิตใจเขาเปหมอเ น, นี่ยชํานาญมาอาทิตย์ก่อนหรือสองอาทิตย์ก่อนหลวงพ่อสอนเรื่องการเจริญอิทธิบาทเคยได้ยินไหมเรื่องอิทธิบาทมาไปฝึกมาวันนี้มาบอกทําได้แนละ้ว ดูจริงทำได้แล้วถ้าเมียไม่ยิงทิ้งก็อายุยืนแล้วอิทิบาต ท, ที่ว่าเจริญอิทิบาตนะไม่ใช่ง่ายนะจิต <c oughs> ต้องส่งสมาธิมันคือการทำสมบัติที่เจืออิทิบาทลงไป ถ้าสมบัติไม่ได้จบไม่ต้องพูดแล้วเมื่อกี้ทีมงานเขาลองถูกกระหลงพ่อเรื่องนั้นคนที่ทำบัญชีของวัดนะดูแลเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายรายวันเนี่ยส่งให้เขาเรียกอะไรนับตรวจสอบบัญชี ไม่รู้ว่าตำแหน่งอะไรผู้ตรวจสอบบัญชีเขามาลองทุกอยู่เรื่องหนึ่งมีพวกเราบางคนในะใจบุญทำบุญทุกวันเลยนะแต่วันละหนึ่งบาทหนึ่งสตังบอกโอ้โยทำบัญชียากมากนะรายการมันจะเยอะเยอะเยอะทำบุญไม่มีจำกัดหรอกไม่ว่าอะไรหรอก แต่รู้ปัญหาของคนทำงานหน่อยทุกรายการที่มีคนทำบุญเนี่ยก็ต้องปริ้นออกมาหนึ่งหน้าบอกหนึ่งหน้าเนี่ยต้นทุนสามบาทหน่อยๆเราบอกน้ำาวานมันเยอะขึ้นเรื่อยๆ แ, แบบนี้ใม่รู้เราไปเจอหมอดูที่ไหนบอกให้ทำบุญวันละหนึ่งบาทหนึ่งสตัง อย่างงมงายนะอย่างงมงายทำบุญเป็นนิดนะก็ดีเรียกเป็ น, ปนจนเป็นนิสัยนะทำบุญแล้วดูที่มันมีประโยชน์จริงๆนะเราทำบุญนะเอาช็อกโกแลตไปป้อนหมายเงี้ยไม่ได้บุญนะหมาตายนก็ <laughs> ดูที่มีประโยชน์จริงๆผู้รับได้ประโยชน์นะ เพิ่งรู้นะเนี่นยว่ามีทำมุญหนึ่งบาทหนึ่งสตังค์ของมูลนิธิก็มีผู้ตรวจสอบบัญชีก็ต้องการให้พริ้น์ทุกรายการรายการละหน้าต้นทุนสามบาทดำรงชีวิตย่งมีเหตุผลนะชาพุทธไม่งมงายก็มีชีวิตที่มีเหตุผลจริงๆ ความงมงายเป็นศัตรูของการปฏิบัติพระโสดาบันะไม่งมงายนี้นเราก็เรียนคุณสมบัติของพระโสดาบันฝึกตัวเองอย่าให้งมงายวันนี้มีทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาขอมาเป็นทางการหลังจากหลวงพ่อสานจบเนะี่ย จะมีพระสององค์จะมาดูทีมนี้ให้งั้นัอหลวงพ่อสอนเสร็จแล้วพวกเราก็ถอยออกไปตามเดิมเขาะจะกั้นเชือกเหมือนเดิมทีมเชียงใหม่ที่ทมาไยไลัยเชียงใหม่ขอมามาข้างหน้านี้ให้ครูบาสององคนะ์สอนข้างหน้านี้แหละ แสลงข่าวจบยังข่าวเยอะเหลือเกินนะ <c oughs> เอาส่งกันบ้านถ้าไม่อยากส่งก็ส่งไมค์ไปก็ถูกแล้วล่วนะแล้วก็จะนำไปปฏิบัติต่อค่ะดีไปทำอีกนะขอบคุณที่หลวงพ่อสอนเมื่อวานทำได้ไหมง <c oughs> ่ายเลยนะเมื่อวานนี้ใครไม่ได้มา ตอนเย็นบ้างมีไมย่ยกมือถ้าเยอะจะได้ถวนให้ฟังอเอามือลงคือหลวงพ่อพบว่าสิ่งที่คารวะขาดนะมีสองอันที่ทำให้เราไม่ได้มกผลสถิอันหนึ่งสมาธิเราไม่พออันหนึ่งเราทาไม่ต่อเนื่องสมาธิไม่มีนะเนี่เจริญปัญญาไม่ได้ แต่สมาธิที่มีนั้นต้องเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่มีเรี่ยวมีแรงอะไรเงั้ใช้ไม่ได้หรือเคลิบเคลิ้มขาดสติอะไรเงี้ใช้ไม่ได้แล้วพวกเราทำงานที่ต้องใช้ความคิดมากในแต่ละวันจิตใจมันว้าวุ่นยัควรจะฝึกสมาธิอย่างน้อยก็ให้สมาธิให้จิตสงบได้ให้จิตได้ผัดผ่อนบ้าง ไม่งั้นจะเครียดเหมือนท ห, หารอะไรนะั่นะนะนะเที่ยวไปยิงคนตายยิงเล่นๆอ่เนะเพราะมันบ้าคลั่งมันคุ้มคลั่งเครียดจัดนะว่าเราอย่าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเครียดจัดจัดมานนึ่งรอาจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเราอไม่ได้เกิดชังเขาหรอกแต่ว่ามันมีกรรมเพราะว่ามันไม่ภาวนาถ้ามันภาวนาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเมืนะ่อนะ ว, า, วานหลวงพ่อเลยสอนสมาธิอย่างง่าย เอาไว้ให้พวกเราพักจิตชั่วครั้งชั่วคราวนะได้พักพอมีแรงได้ไปทำกิจกรรมอื่นทางโลกก็ได้ในทางปฏิบัติก็ได้วิธีทำสมาธิก็คือนะทำใจนะเริ่มต้นห้วทำใจทำความรู้สึกหลับตาสิหลับตาสบายๆอย่าเคร่งนะะต้องฝึกไปเลยหลับตาสบายๆนะไม่ให้เคลิมนะ นึกถึงนึกนะสร้างมโนมโนว่าเรากำลังนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเรากำลังนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็บริกรรมไปพุทธโธพุทธโธไปถือว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพุทธโธอย่างเดียวไม่ชอบก็าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทคิดว่ากำลังอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้า ที่จริงการปฏิบัติธรรมธรรมะนั่นแหลคือตัวแทนพระพุทธเจ้าอยู่เวลาที่เราปฏิบัติธรรมคือเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราทำใจเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วใจิตใจอิ่มเอิบเบิกบานมีปีติพอได้ไหม รู้สึกสงบบ้างไหมยังไม่ได้ก็ไปทำเอต่อที่บ้านส่งกันบ้างไม่ยากรอเมื่อคืนไ่ดูกายอะค่ะสู้กับความเจ็บปวดของร่างกายอะค่ะสู้จนหลับไปได้อะค่ะเจ็บไม่มากน ะ, ะถ้าเจ็บมากไม่หลับหรอกสลบ เจ็บพอดีพอดีเจ็บมากเหมือนกันนะคะเหรอแล้วทำไมหลับได้อ่ะดูจนดูจนหลับอะคะอ่ะดีจำวิธีนี้ไว้ก็แล้วกันนะดูจนหลับเนี่ยต่อไปเวลาจะตายก็ดูจนตายเลยเอาไปใช้ได้นะดีฝึีก หลวงพ่อมีอะไรจะแ น, น, นะนำไมแนะนำจนเราะแนะนอะไรแล้วไปทําเอาะอาต่อไปส่งไม้ไปน้ำมศ ก, กาลหลวงพ่อค่ะวันนี้ข อ, อสักสองข้อนะคะค่ะข้อแรกค่ะสืบต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ว่ามันมีทุกเกิดขึ้นเสร็จแล้วคันนี้พอมันกําลังเริ่มเกิดหนูรู้แล้วว่ามันกําลังจะเกิดหนูก็จ้องมันเลยปรากฏว่ามันก็หายไปผิด ให้นั่นหายไปเพราะการเพ่งเราต้องไม่เข้าไปแทรกแซงเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยตัวของมันเองถ้าเราไปเพ่งให้หายนะมันเป็นเรื่องของสมาธิไม่ใช่วิปั ส, สนาอย่าไปเพ่งให้หายใช่กิเลสเกิดปุ๊บหายละกูเก่งไปเลยนะไม่ถูกไปฝึกใหม่อย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าแทรกแซงสภาวะ แสรกแทรสภาวะชำนาญจะรู้สึกกูเก่ง น, นะในส่วนของข้อที่สองนะคะมเมื่อวานนี้นั่งอ่านหนังสือก่อนที่จะเข้ามาตอนเย็นนะคะปรากฏว่าเพิ่งรู้ว่าการที่เราหายใจไปด้วยกับการอ่านหนังสือไปด้วยทำได้ อ, อันนี้เป็นครั้งแรกที่ที่เพิ่งรู้สึกเอ อ, อย่าไปหัดทำอย่างนั้นเลย<ต>อ่านหนังสื อ, อแล้วอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก ใครก็ทำได้นะต้องยางใดอย่างเจิตจับอารมณ์ได้ชัดเจนนะครั้ลงละอย่างเดียวจะห่านหนังสือให้รู้เรื่องก็อ่านไปสติสมาธิปัญญาอยู่กับหนังสือจนะภาวนาสติสมาธิปัญญาอยู่กับกายกับใจนะควรละเรื่องกันไ่ทำหลายอย่าง จุดอ่อนของหนูนะคือเขาเรียกอะไรว่าฟงส้านตัวนี้ฟงส้านเยอะระบังนะทำอย่างนี้ดีไ้ยทำยนี้ดีเลยตัวนี้ล่ละฟงส้านนะอย่าไปเชื่อมันรู้กายรู้ใจซื่อๆรู้ไปตามธรรมดานะเอาใครจะถามอยู่ที่ไหนยกมือไว้นะ ยกไวนะ้เขาจะได้ส่งใหม่ถูกทิศทางเวลาส่งใหม่นะบางคนส่งดีนะมองแล้วส่งบางคนส่งเนี <c> ้ย <oughs> คนข้างหลังถูกทิ่มหน้านะถ้าไม่ใช่ในวัดแล้วก็น่าดูนะการหลวงพ่อค่ะพี่ที่เราหนูส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าบริกรรมเราก็ดูใจล้วก็อยายกขี้เกียจหนูก็นึกถึงคำนี้ ตลอดอะคะ่ะก็ยังเพ่งอยู่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้หนูบริกรรมแผ่เมตตาของหลวงปู่ขาวจนอาทิตย์ที่แล้วหนูเข้าคอแล้วหนูเจอคําที่หนูชอบหนูก็เลยเปลี่ยนคําบริกรรม <simpler. S 1> อืมก็เลยรู้สึกว่าใจคลายขึ้นแล้วก็ฟุ้งมากขึ้นนะคะฟุ้งได้มากขึ้นอยากขอคําแนะนําหลวงพ่อเป็นการบ้านไปทําต่อไปค่ะต้องไม่ฟุ้งนะ <S <S เดี๋ยวไปฟุง้ง ปล่อยให้จิตทำงานแต่ไม่ใช่ฟุงฟ้งฟุ้งซ่านกับจิตเจริญปัญญาเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวฟุ้งซ่านคือไม่มีสติรู้ทันนะเจริญปัญญาคือปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วมีสติตามรู้ไปไม่เหมือนกันน ะ, ะของหนูคงประเภทปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติรู้ใช่ไหมใช่ค่ะดูฟุ้งซ่านดูเข้าใจคือดูหลงได้มากขึ้นคนะหลงนานขึ้นหรือเปล่าหรือหลงบ่อยขึ้น หลงยังนานอยู่แต่บ่อยขึ้นด้วยค่ะเออหลงปุ๊บสองอนเนี้ยมันขัดแย้งกันเองนะถ้านานแล้วมันบ่อยไม่ได้อย่างมวลาหนึ่งชั่วโมงหลงนานคือครั้งละครึ่งชั่วโมงเนี้ยก็หลงไม่บ่อยแต่หลงนานถ้าหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บแล้วไปชั่วโมงหนึ่งหลงหมื่นครั้งเะฉั้นหลงบ่อยกับหลงนานไม่เกิดด้วยการหลอกนะค่อยๆดูไปโนเนี้ยมีบัญญัติศัพท์เฉพาะตัวนี้เยอะเลือเกิน <c oughs> <laughs> ไปเข้ารู้เขดูไปใจยังฟุ้งซ่านอยู่นะ <c oughs> ขนาดนี้จิตไม่ถึงฐานดูออกไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยถึงะค่ะ <c oughs> เออฝึกไปไม่ถึงมันใช้ไม่ได้นะจิตมไปอยู่ขงนอกว่างๆโลง่ลงๆสบายอยู่กัไนไม่ได้เรื่องอนะนะหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไปแต่อย่าตึงจิตนะถ้าดึงจิตแนละ้วมันจะอึอดอัด ก็อ่อาาที่ก็ผิดแล้วนี่จิตอยู่ข้างนอกดูออกไมว่าจิตอยู่ข้างนอกดูออกไหมจิตไม่เข้าฐานเนะี่ยดูว่าไม่เข้าฐานเออนั่นแหละจิตไม่เข้าฐานแลว้วก็ไม่ดึงคืนแต่เราก็หายใจไปรู้สึกตัวไป ใ, ใจรู้สึกตัวไปมันจะเข้าเองให้มันเข้าเองม่จะไปดึงมันถ้าจิตไม่ถึงฐานในเรื่องสมาธิเรายัางไม่พอ การเพ่งไม่ใช่สมาธิที่ดีนะกลาบนามัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูกลาบขอโอ ก, กาสหนูไม่ได้ส่งกันบ้านมา3ามปีกว่าละค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาหนูปฏิบัติรูปแบบแล้วก็ฟังธรรมหลวงพ่อสม่ำเสมอขยนันตั้งใจทุ่มเทเพื่อธรรมะ แล้วก็รูปแบบของการภาวนาหนูก็จะฟังทำหลวงพ่อเดินจงกรมตอนกลางคืนก็นั่งสมาธิระหว่างวันก็รู้กายรู้ใจแล้วก็ดูจิตที่มันเคลื่อนไปอะค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะโทษะกิเลสแรงก็พยายามจเจริญเมตตาตามที่หลวงพ่อสอนหนูจะกลับไปทําต่อหลวงพ่อมีคําแนะนําหรือว่าข้อคิดเห็นอะไรให้หนูเพื่อจเจริญในธรรมขึ้นไปบ้างไหมเจ้าคะ่ะ หนูถูกพลังข้างนอกแทกแสงนะมันบิ้วทำให้เราโทสะขึ้นจิตเราจะมองๆ ม, มัวๆไปหน่อยนึง ใ, ใช่ไหมเดี๋ยวไปคุยกับคุณแม่ชีนะขอบพระคุณเจ้าค่ะถ้าปรับตัวนี้ได้นะเราป้องกันตัวเองได้ไม่ถูกครอบถูกสะกดอะไรเงี้ยไปได้ดีองหนูทำได้ดีแล้วนะสาธุเจ้าค่ะแล้วคนซึ่งจะโดนมารมันแกล้งเนี่ย ต้องภาวนาเก่งต้องภาวนาถูกถ้าภาวนาผิดนะมานยิ้มหวานเลยมันไม่ยุ่งด้วยหนูจเจริญเมตตาแล้วเขาก็ไม่ไม่ไม่ยอ ม, อมยอมไม่ยอมเป็นเรื่องของเขาจเจริญเมตตาเป็นเรื่องของเราจ้ะค่ะ <laughs> <laughs> ใช้ภาษาเลย ภาษาไทยครับภาษาไทยเนื่องาคนจีนทั น, นี้กันน่งยืนกลับขอโอกาสหลวงพ่อครับอ่าช่วงระหว่างวันช่วงนี้ตื่นนคือระหว่างวั น, นก็จิตเนี่ยก็เห็นอารมณ์แต่อารมณ์เนี่ยก็เป็นลักษณะของทั้งกิเลสแล้วก็เป็นทั้งนิวรณ์แล้วก็บางทีก็ไปเห็นสัโยชนดนะคราวนี้พอจิตไปเห็นอารมณ์ลักษณะนี้แล้วเนี่ย ก็จะมีลักษณะของเห็นทุกข์ของจิตขึ้นมาเจือขึ้นมามไวมากน ะ, ะโดยที่สมัยก่อนทุกทุกสมัยก่อนเนี่ยมันคือความกังวลหรือความกลัวความโมแต่วันนี้ทุกเนี่ยมันไม่ใช่พวกนั้นแหละทุกเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่การดิ้นรนของจิตแทนว่าจิตเขาอยากเปลี่ยนสภาพไปเป็นสภาวะที่เป็นสบายตัวมากขึ้นเนะพราะเพราะเเกิดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยแล้วก็เกิดตลอดเวลาระหว่างวัน ระหว่างทํางานเนี่ยเราเราก็โต้อตอบนะฮะกับกับคนที่อยู่รอบข้างเราไปทํางานน่ยนะก็ก็เห็นตัวนี้ตลอดเวลาในช่วงตอนหลับตอนคืนก็จะเห็นสภาวะพวกนี้คันนี้ว่าผมอยาการเรียนทํามหลวงพ่อว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับมันมันเป็นอ่าตอนแรกๆเนี่ยตอนแรกๆผมนึกว่าผมดักเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้ผมเคยเคยถามตัวยว่าตกลงดักหรือเปล่าก็ เราก็รู้ว่าตัวไม่ได้ดักเขาเกิดขึ้นเขาเองนะฮะสภาพที่เป็นจิตเห็นทุกข์ละทุกแสดงอันนี้จังให้เราเห็นนี่ไงซึ่งมันไวและมันบางแล้วก็มันเบามากกลายเป็นทุกอย่างที่เป็นทุกข์เข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยมากออืผมถามคําถามข้อนี้หลวงพ่อนะครับว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยผมผมเห็นถูกต้องแล้วหรือยังแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมจะมีคําถามอีกอีกอันหนึ่งครับเห็นน่าเห็นถูกนะแต่สมาธิเราอ่อนไปนิดนึงครับผม กำลังสมาธิอ่อนไปนิดหนึ่งตรงที่เห็นทุกเนี่ยมีหลายสเตปนะหลายระดับเห็นทั่วๆ่วไปคือเห็นอารมณ์ที่เป็นทุกข์ความรู้สึกเป็นทุกข์นี่เราเห็นแล้วว่าความดิ้นรนของจิตเป็นทุกข์ยังเหลืออีกตัวหนึ่งจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์แต่เรายังไม่เห็นตัวนี้บางครั้งก็เห็นว่าจิตเองก็คือทุกข์ไปแล้วเคยเห็นอย่างนี้แต่ไม่บ่อย ต้องฝึกอีกนะแล้วก็สมาธิให้เยอะขึ้นเจริญปัญญาเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนไม่รีบนะตอนนี้ก็คือไม่ได้บังคับก็ปล่อยให้เขาแสดงให้เราเห็นไปเออนะแต่ใจเราต้องสบายกว่านี้หน่อยครับผมคือถ้าสมาธิกับปัญญาไม่สมดุลกันนะปัญญามันล้ำไปมันจะไม่ล้างกิเลสครับผมนะข้อสองข้อสองก็คือพอเราพอเราเห็น ลักษณะของทุก์ที่เกาะ อ, อยู่กับจิตอย่างนี้แล้วเนี่ยมันนําให้เราเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแก้วสามดวงเนี่ยก็คือเราเราไม่ทําเราไม่ทํำคำชั่วเนี่ยนะครับแล้วก็ทํำคมดีเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าฮีริโอตปะของเรามั น, มนดีขึ้นนะฮะถูกนะพอพิเ็จแล้วเนี่ยในส่วนของตัวที่สามที่ใจเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยเกิดขึ้นเองจากการที่เราเห็นข้อแรกที่ผมถามหลวงพ่อนะครับอื ก็เฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะตอนนี้เราเห็นมาถึงจุดกลางๆครับในแง่ที่ว่าความปรุงแต่งดิ้นรนของจิตเนี่ยทำให้จิตเป็นทุกข์ใช่ครับนี่ที่หลวงพ่อบอกก็คือมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะจิตนั่นแหละเป็นทุกข์จะดิ้นรนหรือไม่ดินน้นรนจิตนั่นแหละเป็นทุกข์แต่ว่าเราอย่ารีบร้อนถ้ารีบร้อนแล้วปัญญามันจะล้ำไป ทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำความสงบรพอนะสงบพอสมควรแล้วก็ดูมันทำงานภาวนาได้ดีอะไรนะฮนะแท่านได้ยินภนะาวนาได้ดีครับนี่เหมือนหลวงพ่อกับหลวงปูดูลเลยหลวงปูดูลท่านบอก ว, ว่าไงนะครับนะ มีทีหนึ่งท่านบอกว่าฉิติ้มแล้วถึงพระรัตนตสัยแล้วพึ่งตัวเองได้แล้วเราตกใจว่าไงนะครับหลวงปู่ขอบพระคุณครับมันยังไม่ได้ล้างสังโยชน์เลยนะรู้เปล่ามันยังละสังโยชน์ไม่ได้ทีเดียวนะ รู้สึกไหมเออแค่แต่แต่ถูกงั้นหลวงพ่อไม่ต้องห่วงเราละถ้าคิดว่าล้างสังโยนแล้วเนี่ยต้องคุยกันยาวเลย <c oughs> เ อ, อรู้สึกไหมความเป็นเรามันยังมีอยู่ <c oughs> โอ้ยนี้เป็นโรคศิษย์ที่ชื่นใจมากเป็นโรคศิษย์ที่มีกิเลสชื่นใจ <c oughs> อ้าว่ามา ไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อนานแล้วค่ะที่ผ่านมาก็ดูที่มันผิดไปเรื่อยๆค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นปกติมากขึ้นเรื่อยๆอความต่างของตรงที่ผิดกับตรงที่ถูกบางทีมันแทบไม่เห็นแต่หนูก็ไม่รู้ว่าบางทีมันติดนิ่งไปด้วยหรือเปล่าอะค่ะแต่เ น, นี้ยสงสัยรู้ไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยที่หนูฝึกจะใช้ได้นะ หนูครดูสภาวะที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนี่รู้ไปเรื่อยๆอะไรก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้<ฮ>ตรงนี้บังคับจิตเรารู้สึกไหมค<ฮ>่ะหนูพอทำได้แล้วล่ะหนูอ่านจิตใจตัวเองออกจิตใจไปทาอะไรก็รู้เอาจิตสงสัยก็ไม่ต้องไปหาคำตอบนะจิตสงสัยรู้ว่าสงสัย ทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับเราไม่ต้องการรู้อะไรมากมายเราต้องการให้เห็นให้จิตมันเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับต้องการแค่นี้แหล ะ, ะที่นี่นะเสียงนกเยอะเลยมีคนเขาได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องว่าที่นี่นกเยอะนะเมื่อวานเนี้ยเอาหนังสือคู่มือดูนกมาถวาย <c oughs> บอกแหม่แทนที่จะถวายคู่มือดูจิตก็ถวายคู่มือดูนกก็น่าดูดีสัตว์โลกา็น่าสงสารถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนเขาน่ะเขาหนีมาพึ่งเราน่ะอย่างในวัดเนี่ยพวกพระช่วยกันปลูกต้นไม้ในเนี่ยส่วนใหญ่จะน้าจัดการแล้วฝั่งโน้นที่พวกเราช่วยกันซื้อที่มาพระปลูกต้นไม้ไม้ตอนนี้สูงท่วมหัวแล้ว นี่ปีนี้มันแรงมากถ้ามันไม่แล้งมีฝนมีอะไรนะคงโตมองเห็นเป็นร่องรอยของป่าแล้วนะสัตว์เนี่ยได้เข้ามาอาศัยมากเลยข้างนอกนี้เผาตลอดเลยนะเผาทุกวันเลยในวันเราสร้างป่าไวนะ้เนี่ยร่มเย็นแล้วหอมทั้งวันเลยนะแต่และเวลาเนี่ยจะมีกลิ่นดอกไม้ชนิดโน้นชนิดนี้หอมทั้งวันหอมทั้งคืนเลย นี่แล้วสิ่งแวดล้ลอมข้างนอกเนี่ยมันแย่มากเลยมันเผากันนะเผาเอาจริงเอาจังเผาป่าเผาภูเขาเผาทุ่งแล้วมันมีกิจการอะไรมันเผาอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่ฝั่งโน้นะควันกเข้ามาอบอยู่ในวัดพวกสัตว์ก็หนีมาอยู่ในนี้เยอะแยะพระก็จะเป็นพระลมควันแล้วเนี่ยนะ เนื้อเป็นเนื้อเบคอนมันไม่มีกฎหมายเลยห้ามเผาบ้างเหรอมีมีแต่พระเขาข็คงไม่กล้าไปฟอไ้องใครอนะเดี๋ยวมันยิงเอาไปปร้นคลังอาวุธแล้วมาไล่ยิงหมดวัดเลยยี่สิบเอ็ดองค์พอดีเลย ขำหวาดเสียวและขำ่าอ้าวกลับน้ำมาสการ์ค่ะอ nice, nice, nice. ยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตรงนี้ค่ะอ๋อคือว่าหนูจะแบ่งเวลาปฏิบัติทุกวันเลยแต่มากบ้างน้อยบ้างตามแต่โอกาสอะคะ่ะแล้วก็ระหว่างวันก็จะบริกรรมไปด้วยแบบตอนนั่งรถไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้คะ่ะแล้วก็แบบช่วงนี้เวลาทำสมาธิแล้วพอจิตสงบได้สักพัก จะแบบว่ารู้สึกเหมือนไม่มีร่างกายแล้วก็<ม>เออมันจะละคำบริกรรมไปเองอ่ะแต่จิตก็ทรงตัวได้ ม, มันก็นิ่งได้นั่นแหละทีแต่ก็ยังแบบรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกชัดเจนอยู่ค่ะมไม่รู้ว่าปฏิบัติแบบนี้แบบถูกต้องไหมแล้ว ก, ก็ถูกน ะ, ะแต่มันยังไม่ขึ้นปัญญาเนยมันได้สมาธิ นี่พอได้สมาธิอย่างนี้แล้วย้อนมาดูกล้างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่ว น, วนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยพี่ารณากายลงไปเยอะๆจิตมันจะได้เดินปัญญาไม่งั้นจะติดนิ่งๆดีท <Okay. S 1> ี่ภาวนาถูกแล้วต่อยอดไปก็คื อ, คอพี่นักความจริงของกายขอบคุณค่ะ หมดแล้วเชิญกลับบ้าน